235- อมธรรมวัคาธิก ร, รมะกะถาว่าด้วยกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมเป็นต้นเรื่องภิกษุชาวกรุงจำปาทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมเป็นต้น 382- สมัยนั้นพวกภิกษุในกรุงจำปาทำกรรมเช่นนี้คือ ทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบทมทำกรมรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบทมทำกรรมแบ่งพวกโดยชอบทำทำกรรมแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปทำกรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปภิกษุรูปเดียวลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างภิษุรูปเดียวลงอุกเขปนยกรรมภิกษุสองรูปบ้าง ภิกษุรูปเดียวลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปบ้างภิกษุรูปเดียวลงอุกเขปนิยกรรมสองบ้างภิกษุสองรูปลงอุคเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างภิกษุสองรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุสองรูปบ้างภิกษุสองรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปบ้างภิกษุสองรูป ลงอุคเขปนิยกรรมสงบ้างพิกษุหลายรูปลงอุคเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างพิกษุหลายรูปลงอุคเขปนิยกรรมภิกษุสองรูปบ้างพิกษุหลายรูปลงอุคเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปบ้างพิกษุหลายรูปลงอุคเขปนิยกรรมสงบ้างสงลงอุคเขปนิยกรรมสงบ้าง บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนพวกภิกษุในกรุงจำปาจึงทำกรรมเช่นนี้เล่าคือทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมสงลงอุกเขปนียกรรมสงบ้างครั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบละ พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุในกรุงจำปาทํากรรมเช่นนี้คือทํากรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมละสงลงอุกเขปนิยกรรมสงบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิละครั้นทรงตำหนิทรงแสดงธรรมมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า